ตอนสมุดบริหารใจพ่อได้ทําสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าสมุดบริหารใจตอนเช้าอันเป็นเวลาที่พ่อนั่งชําระความพ่อก็ให้คนนําสมุดนี้มาวางไว้บนบันหลังด้วยในแต่ละวันพ่อทําระคดีไว้อย่างใดบ้างก็จะบันทึกไว้ในสมุดเล่ม น, นี้อย่างละเอียดลอเพื่อไว้ตรวจสอบดูว่าจะมีอคติในการชำระความอย่างไรบ้างหรือไม่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 ก่อกรรมทําเข้นกับชาวบ้านหรือขุนนางผู้น้อยแล้วใสแม้ผู้นั้นจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่โปรดปรานของห้องเต้สักเพียงใรก็ตามท่านก็ไม่เกรงกลัวเป็นต้องนําหลักฐานทูลเก้าถวายห้องเต้ให้ได้รับโทษานุโทโธดจงได้เมื่อท่านสิ้นอายุขไขัแล้วจึงได้รับพระราชทานกิจยศอันสูงส่งได้รับสถาปนาเป็นที่ชิงเซียนกงหมายถึง ผู้ที่กราบทูลด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจพ่ออ่านชีวประวัติอันเกิดเกลียดของท่านแล้วประทับใจมากจึงถือเป็นตัวอย่างอันดีงามที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อป้องกันการชำละความของพ่อมิให้ด่างพร้อยเสียความยุติธรรมไปพ่อจึงกระทำเช่นนี้ทุกคืนตอนลดภาษีกุศลยิ่งใหญ่ แม่ของเจ้าแสดงความวิตกให้พ่อฟังว่าแต่ก่อนนี้อยู่บ้านเราเองก็ช่วยกันทาบุญทาทานโอกาสประกอบกรรมดีมากไม่กี่ปีก็ได้ครบสามพันครั้งแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ราชการไม่มีโอกาสสัมผัสกับคนจนเหมือนแต่ก่อนความดีหนึ่งหื่นครั้งเมื่อไรจะทาสาเร็จได้เล่าพ่อก็ได้แต่รับฟังในคืนวันนั้นจะว่าบังเอิญหรือไม่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 พ่อตื่นขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อได้ทำไปเช่นนั้นจริงๆพอเห็นใจราษฎรที่ต้องเสียภาษีหนักเกินไปทำไมเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งพ่อเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ล่วงรู้ถึงเทวดาฟ้าดินได้และยังสงสัยอยู่ว่าทำเพียงแค่นี้นะหรือก็เป็นความดีได้ถึงหนึ่งหมื่นครั้งแล้วบังเอิญท่านฝานวีเถระมาจากภูเขาอูทายสาน พ่อจึงกราบถามท่านเพื่อให้หายสงสัยท่านตอบว่ากุศลกรรมใดก็ตามถ้าทาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่หวังตอบแทนเป็นส่วนตัวแล้วไซส้แม้กระทําครั้งเดียวก็เท่ากับกระทาหนึ่งหมื่นครั้งทีเดียวการที่พ่อเห็นความทุกข์ยากของราษฎรหาทางแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาความสุขที่ราษฎรทั้งอาเภอได้รับย่อมเป็นกุศลกรรมันยิ่งใหญ่ พ่อจึงเอาเงินเดือนของพ่อเดือนนั้นถวายแก่ท่านฝานหวีทถระเพื่อให้ทำอาหารมังสวิรัตถวายพระพิสุ์ในวัดของท่านซึ่งมีประมาณ1 0 0 0 0หมื่นลูกและอุทิศกุศลกรรมทั้งมวลไปตามที่อธิษฐานเอาไว้ท่านผู้เท่าคงเคยพยากรณ์พ่อไว้ว่าพ่อจะมีอายุอยู่ได้53ปีเท่านั้นพ่อก็ไม่ได้อธิษฐานตนเองให้มีอายุยืนแต่ อ, อย่างไรแต่ปีนั้น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 พ่อจึงเชื่อมั่นด้วยความประจักษ์แจ้งแก่ใจของพ่อเองว่าความสุขความทุกข์ล้วนแต่เกิดจากการกระทำของตนเองทั้งสิ้นทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเป็นคำที่ท่านนักปราชญโบราณกล่าวต่อๆกันมามาจนถึงบัดนี้ถ้าใครยังเชื่อว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกริขิตมาแล้วอย่างแน่นอนแก้ไขไม่ได้แล้วไซแม้ผู้นั้นจะแสนฉลาดปราดเรืองอย่างใด เขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่หาความก้าวหน้าไม่ได้เลยสำหรับตัวของลูกนั้นพ่อก็ยังไม่ทราบว่านาคตจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้ลูกจําไว้ว่าแม้ลูกจะมีบุญวาสนาชะตาสูงก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีวันตกต่ําลงมาได้ถ้าลูกไม่รู้จากการระวังตัวยามใดที่ลูกรู้สึกชีวิตมีแต่ความราบเรื่นปลอดโปรง่งสะดวกสบายไปทุกสิ่ง ลูกก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปอาจจะมีวันที่จะต้องประสบความยุ่งยากเดือดร้อนผันแปรไปได้ถ้าลูกไม่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอยู่เสมอยามใดที่ลูกมีความเป็นอยู่เหลือเฟือเงินทองไหลามาเทมามีความสมบูรณ์พุ่นสุก์ทุกประการก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีสักวันหนึ่ง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 วดดีวางอำนาจยามใดที่ลูกได้รับยศถาบรรดาศักด์อันสูงส่งลูกก็อย่ายึดมั่นในโลกธรรมนั้นว่าจะแน่นอนเสมอไปต้องเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งยศศักดิ์ชื่อเสียงเงินทองและความสุขทั้งมวลอาจจะพังพินาศไปในพริบตาเดียวก็ได้ถ้าลูกไม่หมั่นประกอบความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ลูกจะมีความรู้ความสามารถเพียงใด ก็จงอย่าทะนงตนว่าใครก็สู้ไม่ได้